ความรักของเธอเสียงที่บอบฉันว่าเธอผู้ใหญ่มือ แน่นของเธอที่แปกและผาฉันวันที่ฉันไม่สบายทุกๆุฉากทุกหริอบอนไม่เคยจางหายแม้เธอผ่าเนเดินแบ่บนเท่าไร และทุกฉากทุกมือบอลแมันคอยบอกยำ้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปว่าฉันเป็นคนร้องเดือใครๆมีรับทายอยู่ดูแลไม่ได้จึงรู้ มันก็สายเกินไปปวดร้าวคิดเากยย้นเรื่องเราแค่ไหนไดแต่ฝันต่อจน อดเห้นที่มันขาดไปแต่ทองของเราจะปลอดีดีไหมเราะว่าฉันต้องทำใจเพราะทุกชากทุกปอยไม่เคยจอมหายแม้จะบาดเนินดาเท่าไร และทุกชากทุกอบอล น, นั้นคอยปอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปว่าฉันเป็นคนโยมเมียใครใคร สายเกินไปพัวเท้าคิดเดียวล้มเรื่องราวแค่ไหนได้แ mm. ต่ฝันบอกหนที่ไหนอ้าจนดีประตูให้ฉันย้อนไปคืนวันที่ฉันมีเธอ มันคนเงอเนื่อไกลๆมีรักเธออยู่อยู่แล้วไม่ได้จึงรู้ค้ามันก็สายเกินไปพวดกล้าคิดอยากย้รืเวรเราแค่ไหนได้แต่ฝืน